เริ่มเข้าสู่ธรรมะผู<ฮ>้เป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็มีแต่เพียงว่าพยายามบำเพ็ญให้เป็นไปเท่านั้นแหละโดยเฉพาะอย่างว่าศีลอย่างนี้น ะ, ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเราไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ ถ้าหากว่าไม่มีศีลเป็นข้อบังคับความประพฤติทางกายทางวาจาแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลไปไม่ได้เลยมันก็เจริญไปในทางด้านกิเลสบาปธรรมนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเพราะว่าไอ้จิตใจของปุทุชนคนเรานี่นะ มันหนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาสารพัดดังนั้นลำพังแต่ธรรมะอย่างเดียวมันยังไม่สามารถที่จะต้านทานต่ออำนาจของกิเลสนั่นได้ดังนั้นพระาศาสดาจึงได้ทรงบัญญัติวินยัยคือระเบียบสนับสนุนธรรมะเข้าด้วย นี่นะให้พึ่งพากันเข้าใจวินัยหรือระเบียบเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้แล้วอย่างนี้ว่าห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้ห้ามไม่ให้พูดอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าใครขืนทำขืนพูดไปจะต้องมีโทษหนักบ้างเบาบ้างข น, ขนาดกลางบ้าง ตามความผิดที่ผู้นั้นทำก็เช่นเดียวกันนั่นแหละกับกฎหมายบ้านเมืองนะมีโทษหนักโทษเบาตามการกระทาของผู้นั้นไปนอย่างนั้นถ้าว่ามีโทษกฎหมายคอามันเป็นบาปนั่นเองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดแต่ว่ามันแตกต่างจากกฎหมายบ้านเมือง ตรงที่ว่าอันส่วนวินัยของพระพุทธศาสนานี่นะใครจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้อ่านอย่างนั้นแล้วแต่สมัครใจแต่ว่าถ้าหากว่ามารวมอยู่กับหมู่แล้วอย่างนี้นะจะไม่รักษาเหมือนกันไม่ได้อีกเหมือนกันเนี่ยนี่ก็ดี สำหรับครหงหั์ผู้ครองเรือนนั่นน่ะอันนั้นใครจะสมทานปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้แล้วแต่ผู้สมัครใจแต่ว่าศินบางข้อนั้นน่ะถ้าล่วงเข้าไปมันก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีแต่อย่างนั้นแล้วทางบ้านเมืองเขาก็ยื่นมือเข้าไปแล้อ่าถ้าไปล่วงไปมันเป็นงั้นแต่ศินบางอย่าง แม่ล่วงไปมันก็ไม่ผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ลงโทษบาป ก, กรรมของผู้ล่วงนั้นลงโทษเองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดเคารบต่อพระวินยัยไม่ล่วงเกินแล้วอย่างนี้นะความประพฤติของผู้นั้นนะ่ะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีก็ไม่หยาบมันนี้นะ ความประพฤติมันก็ละเอียดเข้าไปละมุนละไมเข้าไปเพราะว่ามีวินัยข้อบังคับไว้ข้อบังคับต่างๆโมนี่นะเมื่อรวมความลงแล้วก็หมายถึงว่าห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองแหละหรือห้ามไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั่นถ้าพูดถือเอาใจความนะ อย่างนี้แหละเช่นอย่างงห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นะอันนี้มันมันทั่วไปเลยอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องวินัยเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันใส่ใจสนใจเรื่องวินัยให้มากเพราะมันเป็นการสกัดกั้นความชั่วอย่างหยาบ ไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของคนเราบนันนี้เมื่อมีวินยัยสำรวมวินัยด้วยดีแล้วก็มาประพฤติธรรมะประกอบเข้าด้วยบนันนี้ธรรมะนั้นมันก็หมายถึงไอ้ความที่การกระทาอะไรพูดอะไรนั้นต้องใช้สติใช้ปัญญาใคร่ควร ก่อนจะทำจะพูดอะไรว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสมควรหรือไม่สมควรเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษนี่เรื่องของธรรมะเป็นอย่างนี้นะนก็ต้องใคร่ควรซะก่อนเราใคร่ควรไปมันก็ไปอิงใส่วินัยอีกเช่นเดียวกันนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแล้วบางอย่างมันก็ยังไม่เกี่ยวกับวินยัย เช่นความรักความชังอย่างนี้นะมันแลกแรกเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจอย่างเงี้เมื่อหากว่าเราระ ง, งับความรักความชังนั้นอยู่ภายในใจเลยไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ระ ง, งับกิเลสด้วยอํานาจแห่งธรรมะนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันศึกษา ให้รู้ให้เข้าใจธรรมะนี่มันเป็นเครื่องขาดเกลาจิตใจให้ผ่องใสสะอาดใจคนเราจะสะอาดได้ก็เพราะอาศัยธรรมะส่วนวินัยนั่นเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราเป็นมีโทษอันนั้นเป็นบาปส่วนธรรมะนั่นเป็นเครื่องขาดเกลากิเลส อย่างกลางอย่างละเอียดให้เบาวางไปจากกิจใจเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติท ร, รมวินนยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้เต็มความสามารถของตนของตอนนะเพราะว่า การที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์มีสติปัญญารู้จักดีรู้จักชั่วได้อย่างนี้นะไม่ไม่ใช่ว่าได้มาเปล่าๆนะได้มาด้วยบุญกุศลแท้ๆตั้งแต่ชาติก่อนนู่นเราได้สร้างบุญสร้างกุศลมาเราได้สดับตรับฟังคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเพราะฉะนั้นเกิดมาในชาตินี้เราก็จึงได้มาพบพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าเราเรานับถือเราเลื่อมใสมาในชาติก่อนแล้วบุญกรรมมานั้นก็จึงโดนบันดาลให้เราได้มาเกิดในสมัยที่ ยังมีศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เกิดในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมชีพอยู่ก็ตามเมื่อเราได้มาเกิดในสมัยที่ศาสนาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่เนี่ยก็นับว่าเป็นลาภอันดีของพวกเราทั้งหลายถ้าหาว่าเราเกิดมาในชาตินี้นะ ไม่ได้มาพบศาสนาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะเป็นคนมืดบอดเลยไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรแล้ว<ม>จะไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเพราะใครๆก็ย่อมไม่รู้นี้<ม>ย่อมไม่รู้คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะเพราะว่าไม่มีศาสนานี่ นั่นแหละไม่มีผู้สืบศาสนาธรรมคำสอนของพทธเจ้าต่อกันมานั่นแหละเรียก ว, ว่ามันหมดยุคหมดสมัยแห่งคำสอนของพทธเจ้าไปดังนั้นจึงกลายเป็นคนหลงคนเมาไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ละชั่วทำดีให้เต็มความสามารถได้ บางท่านบางคนที่มีบุญมากเมื่อเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วท่านก็สามารถประพฤติปฏิบัติอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าจนสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ก็มีในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนั้นท่านที่ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาเป็นสมุเฉทท ป, ปหาน ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลก็เป็นผู้มีศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างแรงกล้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อไปเกิดในชาติหน้าต่อไปบุญกุศลอันนี้ก็จะโดนบันดาลให้ไปเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนั่นแหละ คนใดที่ไม่เคยนับถือพุทธศาสนามาอย่างนี้นะส่วนมากกรรมมันก็พัดผันให้ไปเกิดในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพุทธศาสนานั่นแหละเป็นอย่างนั้นหรือว่าคนบางคนนะเช่นอย่างเกิดในยุคในสมัยที่พระพุทธเจ้า ของเรานี่นะบังเกิดขึ้นนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสน า, ษ า, ษาเลยอย่างนี้ก็มีอยู่ทมไปอะไปนับถือลัทธิอื่นศาสน า, าอื่นนู่นอย่างนี้แหละก็เลยไม่สามารถที่จะละความชั่วทำความดีให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยเพราะว่าลัทธิอื่นใดนอกจากพุทธศาสนาแล้ว คำสั่งสอนของลัทธินั้นไม่สามารถที่จะนำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้เลยว่ายังได้ดีที่สุดก็เพียงแค่สวรรค์เท่านั้นแหละแต่เท่าที่ศึกษาดูลัทธิที่เขาทำกันมานั้นยากยากที่จะไปสวรรค์ได้เพราะเหตุว่าเป็นลัทธิที่สอนให้บูชายันให้ฆ่าสัตว์บูชายันนี่การฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปอยู่แล้วนะ มันจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเอเว้นเสียแต่พวกฤาษีดาบดนั่นพวกฤาษีดาบดนั้นเป็นพวกที่จําศีลห้ า, าแล้วก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์รับประทานแต่ผลไม้อืมไอ้พวกฤาษีนี่อาจจะไปสวรรค์ได้หรือไปพรหมโลกได้ ผู้ที่บําเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้อย่างนี้ก็ไปสู่พรหมโลกถ้าผู้ที่บําเพ็ญฌานให้เกิดไม่ได้เพียงแต่ทําสมาธิธรรมดาแล้วก็มีศีลห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ก็ไปสวรรค์ได้อแต่หากไม่สามารถจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลต่อเมื่อได้เกิดเป็นคนมา แล้วได้มาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนานี้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนว่าเกิดเป็นสัมมาทิฐิคือมีความเห็นถูกเก็นชอบขึ้นในใจแล้วปฏิบัติไปตามแนวทางที่ถูกต้องนั่นนั่นแหละถึงจะเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลได้ความเห็นถูกเห็นต่ะชอบนั้นเห็นยังไงอ่ะ ก็เห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่แหล ะ, ะเชื่อต่อการกระทําของตัวเองไม่เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่พวกลัทธินอกพุทธศาสนาเขาถือกันเขาสอนกันนะธรรมดาพวกเป็นชาวพุทธแล้วจักไม่เชื่ออย่างนั้นเลยถ้าพวกนี้ยังไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกอยู่อย่างนั้นการนับถือพุทธศาสนาของ ของผู้นั้นก็ย่อมไม่สมบูรณ์แบบย่อมเศร้าหมองย่อมไม่เป็นหนทางพ้นทุกขไปได้ให้พึ่งพากันเข้าใจอย่างคนบางคนบางพวกในสมัยปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่พุทธก็นับถือพระพรามก็นับถือนั่นแหละข้าสัตว์ ตัดชีวิตไปบวงสวงเทพาอารักเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่สร้างศาลเจ้าไว้นั่นเข้าใจว่ามาีภูมิเทวดาไปอาศัยอยู่นั่นภูมิเทวดานั่นก็ชอบกินเนื้อสัตว์ตามความเข้าใจของคนผู้นับถือนั่นนะ เพราะฉะนั้นนี่ถึงขวบปีมาก็จึงมีพิธีฆ่าสัตว์ต้มแกงแล้วก็ไปเส้นสวงต่อสิ่งที่ตนเคารพนับถือนั้นอย่างนี้หละมันก็ยังมีเหลือหลออยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นควรพากาันเข้าใจไว้การที่บุคคลเราเ ดำเนินชีวิตแบบเดินทางสองแพ่งนะ่ะมันไม่มีทางแนละ้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายๆนะเอาทีแรกเดินไปทางขวาไปไปนูงนพอเกิดสงสัยขึ้นมาเอา๊ะถ้าจะไม่ใช่แนละ้วมั้งทางนี้พวกกลับมาทางซ้ายเดินไปทางซ้ายนอยนนู่พอเกิดสงสัยขึ้นมาเนียพอพวกมาทางขวาอย่างนี้นะลองลองวาดภาพดูซิแนตะมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงอนะ นั่นแหละเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนาสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นไม่ไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทาของตัวเองนี่นะตนจะมีความสุขได้ก็เพราะตนทาความดีอาศัยอานาจแห่งความดีที่ตนทำนี่แหละอำนวยความสุขให้ ตนจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆก็เพราะการ ท, ทําชั่วของตัวเองตัวทําชั่วเองเนี่ยกรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เช่นบางคนเกิดมาแล้วมีอายุสั้นพลันตายง่ายเนี่ยก็เพราะโทษแต่ชาติก่อนนั่นได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงไปนั่นแล้วกรรมนี่ยมันก็มาสนองมาตัดรอนชีวิตให้สั้นยังไม่ทันถึงอายุไขาตายแล้ว บุคคลที่จะมีโรคไขเบียดเบียน ร, ร่างกายไม่รู้จักหายรักษาอย่างไรก็ไม่หายอันนี้โทษแต่ก่อนก็ได้ทรมานสัตว์นี่ให้มันอดน้ําอดอาหารเคียนตีให้มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรพวกนี้นะนั่นแหละแต่ไม่ถึงลมถึงตายกรรมนั้นมันก็ตามมาสนองเอาเขินมาชาตินี่ก็พอถึงเวลากรรมนั้นมันให้ผลแล้วก็ เกิดโครคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายหมอก็ช่วยไม่ได้รักษายัางไงก็ไม่หายนั่นแหละผลแห่งกรรมที่ได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่ก่อนนะมันตามมาสนองเอาแต่คนเราไม่ได้คิดหรอกออไม่ได้เชื่อหรอกโดยมากมันก็เชื่อไปร้มๆเรื่งๆไปตามลัทธิภายนอกนู่นแหละเพราะฉะนั้นจึงได้มี หาหมอดูหมอเดากันอจึงได้ไปเส้นสวงกันมันเป็นอย่างนั้นเส้นยังไงก็เส้นส่อำนาจแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันเหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยอ่ะใครช่วยไม่ได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่ก็ไม่มีทางฮนะที่มันจะช่วยได้ฮะ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงไม่ได้ทรงสอนให้เชื่อต่อมองคลตื่นข่าว ข่าวเล่าลือกันมาแล้วครั้นเมื่อค้นหาเหตุผลในเรื่องนั้นแล้วไม่ไม่มีไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยถามใครก็ว่าไม่รู้แต่ถ้าทำกันอย่างนี้สื บ, ส, บสืบกันมาไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิดอและมีเหตุผลมายังไงก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เลยนั่นแหละ <c oughs> ส่วนที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราไอ เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทําของตัวเองนี่อันนี้มีเหตุผลท้าให้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยอะเป็นอย่างนั้นคนบางคนเกิดมาแล้วอย่างนี้นะมีผัวมีเมียมาแล้วเอาไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในทางประเวณีบางทีเมียไปเล่นชู้จากผัวบางทีผัว ก, ก็ไปเล่นชู้จากเมีย ต่อไปเกิดทะเลาะวิะวาทกันมูรีมันกระเทชาติก่อน น, อนต์ตนก็ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมนี่แหละมานะนั่นแหละกรรมนั่นแหละมันติดตามมาสนองเอามันถึงได้เป็นอย่างนั้นไอ้บางคนก็มีความซื่อสัตย์ยงรักภักดีต่อกันจนตลอดชีวิตชีวาอย่างนี้แสดงว่าแต่ชาติก่อนน้นไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมมาอเรื่องมันนะ บางคนเกิดมาในโลกอันนี้นะเป็นคนปากเกือลิ้นไก่สั้นพูดออกมาไม่เป็นสำเนียงหางเสียงเลย อ, อย่างนี้นะท่านกล่าวไว้ว่าเพราะคนผู้นั้นแต่ชาก่อนนั้นชอบพูดเท็จพูดคำไม่จริงนะบ่อยๆเลยจนติดนิดสัยนี่ว่าชอบโกหกหลอกลวงเอาทรัย์ สินของผู้อื่นมาเป็นของตนนะหรือว่าหลอกลวงคนอื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินหรือว่าใส่สเสน่ห์เล่คนให้เขาเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไปนี่กรรมเหล่านั้นแหละมันติดตามมาวะนี่มาสนองเอาทั้งเป็นใบทั้งเป็นบ้าอทั้งหูหนวกอะไรหมดนี่นะก็เพราะกรรมเหล่านี้เองเ มันตามมาสนองเอา <c oughs> แล้วบางคนก็เกิดมาในโลกนี้นะพอถึงเวลากรรมชั่วที่ตัวทรมาแต่ก่อนคือชอบดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดไห้โทษต่างๆงนั้นมานั่นแหละกรรมนั้นติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้น คนผู้นั้นก็เลยเกิดเป็นบ้าเป็นบ่อขึ้นมาหมอรักษายัางไงก็ไม่หายช่วยก็ไม่ได้อย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาาดื่นไม่ใช่เหร อ, อนั่นแหละโทษแห่งการดื่มของมืนเมาของซ่องเสพของเสพติดใ้โทษต่างๆมันติดตามมาสนองเอา <c oughs> <c oughs> บางคน อาจจะได้ทําอยู่กรรมชั่วดังกล่าวมานี่นะแต่ว่าอาจจะได้เสวยผลของกรรมชั่วนั้นหมดไปแล้วก็มีอพอเกิดมาชาตินี้ก็ถึงไม่กรรมชั่วนั้นจึงไมไ่ตามมาสนองออย่างนี้ก็อาจจะมีอยู่เป็นอย่างไงาบางคนนั้นกรรมชั่วนั้นมันยังไม่ได้ตามมาสนองเอาแต่ชาติก่อนก็ดีมันก็ตามมาสนองเอาชาตินี้ก็มีอย่างนี้แหละ มันไม่แน่นอนเรื่องกรรมนี่นะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ากรรมบางอย่างนะมันข้ามภพข้ามชาติไปก็มีอย่างนี้แหละคือว่าอย่างว่าชาตินี้นะมันยังไม่มีโอกาสให้ผลได้ <c oughs> เพราะว่าบุญกุศลผู้นั้นทํามามันยังให้ผลอยู่ออย่างนี้ทีนี้เมื่อไปสู่โลกหน้านุ่นไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนุ่น กรรมชั่วนะมันจึงตามไปให้ผลได้ก็มีนี่นะที่ท่านเรียกว่าอปปาราประเวทนิยกรรมนั่นแหละแปลว่ากรรมที่ให้ผลไปในโลกอื่นข้ามภพข้ามชาติไปนู่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจทุกคนให้สำรวจตรวจตาตนเองอยู่เสมอว่าตนนั้นได้ มีนิสัยชั่วอะไรอยู่บ้างออนิสัยที่มันจะบันดาลให้ไปทำชั่วห้าอย่างนั้นนะพูดกันอย่างง่ายง่ายมันต้องตรวจดูตนให้รู้ว่าเมื่อรู้ว่าตนมีนิสัยที่จะชอบล่วง อ, อินข้อใดข้อหนึ่งอยู่อย่างนี้นะแล้วถ้าว่าปรารถนาที่จะให้ตนมีความสุข ไม่ต้องการให้ตนไปตกทุกข์ได้ยากแล้วก็พยายามเว้นนีอย่าไปล่วงพยายามเว้นให้ได้เลยไอ้ส่วนใดกรรมชั่วในที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนในชีวิตนี้แหละแล้วก็อธิษฐานใจละไปเสียว่าแต่ก่อนนั้นข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนี้ถ้าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เนี่ยข้าพเจ้าจะาไม่ทำเลย ก็เพราะไม่รู้ถึงได้ทํากรรมชั่วบางสิ่งบางอย่างมาวันบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทําอย่างนั้นเป็นบาปตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําต่อไปอ่าด้วยอํานาจแห่งความสัตย์ความจริงนั้นนี้ขอให้บาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้ลุมหลงกระทามาแต่ก่อนนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปนี่เราต้องอธิษฐานใจละเลื่อยไปอย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกรรมเก่ามันจะไม่หมดนะ มันจะตามสนองไปในชาติต่อไปอีกเ <Yeah. S 2> นี่ยที่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเราภาคเพียนพยายาม mm hmm. ละบาปแล้วบาเพ็ญบุญนะอย่างนี้อ่ะ mm hmm. เพียรพยายามกระทาอุบายเงียบคายในใจดังที่แนะนํามานั่นแหละอ mm hmm. ถ้าว่าเราไม่ทําอุบายเงียบคลายในใจไม่อธิษฐานใจอย่างว่านั้น่นนะ อยู่เรื่อยๆไปเฉยเนี่ยไม่ได้นะบาปกรรมนั้นมันไม่หมดแล้วแสดงว่าใจมันยังยึดมันไว้อยู่ยังไม่เบื่อมันจึงไม่ได้อธิษฐานใจละนี่นะให้เข้าใจ <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นเนยาวาสรุปใจความแล้วเรื่องศีลกับธรรมนี่นะต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนี่ให้พากันเข้าใจ ศีล น, นั้นสนับสนุนธรรมแบบนี้นะธรรมก็สนับสนุนศีลเหมือนกันนะ่ะธรรมนี่ได้แก่หิริโอตปะธรรมตั้งความละอายไว้ในใจเสมอละอายในการที่จะทําความชั่วตั้งโอตปะไว้ในใจกลัวกรรมชั่วที่ตนจะทําลงไปนะ่ะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่ให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วมันก็จะไม่ล่วงศีลห้าข้อนั้น อย่างนี้แหละหรือว่าศีลในพระวาติโมกผู้เป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ให้มีสัจจะคือความจริงใจไว้ในใจของตนเมื่อตนได้ตั้งสัจจะลงไว้ว่าจะเว้นกรรมชั่วอันใดแล้วก็เว้นจริงๆไม่ให้สัจจะนนั้นมันล้มละลายไปอเอาชีวิตเป็นเดิมพัน์เลย บูชาสัตว์จักเลยอถ้าทำได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะละวาปกรรมความชั่วต่งตางๆได้แล้วก็ถึงจะทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างหนึ่งก็เมตตากรุณาการเจริญเมตตาตั้งคิดคิดปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวันทุกคืน ที่เพ่งพีนาลงไปจนว่าใจมันสงบลงนู่นนะใจสงบลงด้วยอานาจแห่งเมตตาธรรมได้อย่างนี้แล้วก็แน่นอนนะผู้นั้นย่อมมีศีลบริสุทธิ์แท้นั่นศีลกับธรรมน้าต่างถ้อยถ้อยกัสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่าวมานี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พึ่งพากันตั้ง อ, อกตั้งใจ ประพฤติกะระทาเอาในธรรมบรรยายที่แสดงมาแต่ต้นนี้นะได้ปารากฏถึงความเห็นผิดความเห็นถูกนี่เป็นหัวข้อที่บรรยายมาแต <c oughs> ่พวกที่มีความเห็นผิดนั่นก็เนื่องมาแต่ความที่ไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพทธเจ้า ได้แบเพบาหาสมาคมกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นพวกลัทธิอื่นเขาก็สอนให้เห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้แหละพวกสา ม, มาทิฏิพวกมีความเห็นถูกเห็นชอบเมื่อเกิดเป็นคนขึ้นมาได้พบพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคําสอนพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆ เนี่ยอันนี้แหละที่ยกขึ้นเป็นหัวข้ออธิบายนั่นน ะ, ะเมื่อบุคคลผู้มาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี่แล้วก็วย่อมจะเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจบริสุทธิ์จากาบาปโทษมนทิน แล้วก็แสดงถึงผลแห่งกรรมชั่วที่บุคคลกระทำถึงห้าอย่างนั่นแหละว่ากรรมชั่วที่บุคคลทำห้าอย่างนั่นนะ่ะมันตามมาสนองเอาในชาตินี้หรือว่าบุคคลทำกรรมชั่วในชาตินี้มันก็จะตามไปสนองเอาในชาติหน้าต่อไปนี่จากนั้นให้พากันกลัวต่อกรรมชั่วทั้งหลายให้ได้